จชาดิณิพนเจ้าวันที่21พุธสกภมพุธสกกลาด2556เรามาทำวัดจดมลกันถ้าเป็นกลมเก่บลมาเข้มก็ประมาณอาทิตย์แต่แล้วเราก็ อยู่ความรู้สึกตัวอยู่การฝึกหัดปฏิบัตินอนหัวค่ำไม่เกิน3ทุ่มไงนอนที่2งีสเตื่นขึ้นมาทำความเพียรมันจะมีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมทำในความสะดวกเอื้อประโยชน์กับพวกเราอยู่ เวลาหินโขงมาติดไฟหิ่งห้อยไฟแสงลีลีภาเป็นบรรยากาศจัลโหัวโหลมีเสียงน้ำค้างยามเช้าตีสามตีสี่ตี่5ระหว่างนี้มันจะหยดเสียงเปล้อทีเดียวปบแปะปบแปะปบแปะ มันเป็นชีวิตวันใหม่ที่ตื่นมาด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติว่องไวมากขึ้นเห็นธรรมชาติเห็นธรรมที่มเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาหรอว่าอาการของกายของจิตเช้าๆคนขี้เกียจขี้การก็จะเห็นอาการง่วง อ, อาการต่อรอง ลุกดีไม่ลุกดีบางทีก็เห็น <c oughs> เพื่อนเขาลุกขึ้นมาแล้วก็เปิดไฟเดินยองกล ม, มก็เกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาบางนีเราก็ตื่นก่อนบางทีเพื่อนก็ตื่นก่อนเกิดการเปรียบเทียบแกงอกแกงใจบางที เราก็ได้เห็นยามเช้าจิตมันได้พักกายได้พักมาทั้งคืนหลายชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงมันก็ผ่อนคลายตื่นขึ้นมาด้วความผ่อนคลายเราก็เห็นที่ยิบทั้งวันต้องล้างหน้าล้างตา ต้องเติมธาตุขันธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมลมหายใจยามเช้ามันหายใจแล้วมีความสุขหายใจเข้าก็อิ่มในพอเวลานี่มันเป็นเวลาที่โอโซนดียิงเดี๋ยวพอมีแสงลำไรกรุงอรุณวันใหม่เริ่มเห็นใบไม้แยกสีสัน เริ่มเห็นลายมือของตัวเราเองได้เห็นรายละเอียดของ ศ, ศาตว์สาราสิ่งต่างๆเห็นการเคลื่อนไหวหการเปลี่ยนแปลงไปของโลกอันนี้มันก็ตื่นตาตื่นใจมีความสุขการเจริญสติทํามันทำโถมันจะสนุกแล้วก็มีความสุขทำจตื่นจนกระทั่งคิดถึงวัฏจําวัน หมดวันหมดวันแป๊บๆหมดวันก็รู้สึกว่าชีวิตมันมันวัยทำดีมีความสุขมันเหมือนเวลามันไม่พอใช้เลยล่ะจะทำงานทำการอะไรแป๊บๆหมดวันแป๊บๆหมดวันมันรื่นรมจีวิตมันตื่นตัวเพศกับเวลาเราติดอารมณ์ทำแล้วมันเครียด คิดมากฟุ้งซ่านมานานมากเวลาเจ็บไข้ไม่สบายมันจะหายหป่วยมันนานเวลามันคิดถึงอดีตเวลามันมีปัญหามีความทุกข์รู้สึกมันโลกนี้ทำไมมันยาวลกนแล้วก็เลยมีการเปรียบเทียบไว้ว่าภพภูมิของเทวดาเนี่ยไวภพภูมิของมนุษย์นี่มันช้า ท่ากาัร้อยวันของมนุษย์หนึ่งวันของเทวดาทเทวาดาเดชใช้เวลานานแต่เหมือนไวเป็นอย่างนี้นที่นี้เรามาฝึกวิชาพระกันวิชาพระอาวัจจบาลมีเกิดบนเกิดบาลมีเกิดบนเกิดกุศลบนก็คือความสุขที่ได้มาโดยชอบกุศลก็คือความฉลาด ฉลาดจะรู้เรื่องกฎของธรรมชาติกฎของอิทัปปะยลตตาพะมีเหตุนี้จึงมีเหตุนี้พอมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้พระมีอย่างนี้จึงมีอย่างนี้พอมีทุกก็มีเหตุแห่งทุกพอมันมีทุกมันก็มีการก้าวล่วงออกจากความทุกมีทุกก็มีหนาทุก มันมีสิ่งนี้มันยังมีสิ่งนี้มีความรู้สึกตัวมันก็ไม่มีความหลงเพราะว่ารู้ตัวอยู่มีความรู้สึกตัวสติมันก็เจริญสติจเจริญปัญญามันก็มีจเจริญสติสติมันก็เจริญทําถึงก็ถึงทำก็เรียกปฏิบัติธรรมเนี่ยลงมือกทําลงไปทางกาย ลงมือทําไปทางวาจาลงมือทําไปทางด้านจิตใจทุกครั้งที่เคลื่อนไหวรู้สึกตัวเป็นการกระทำทางจิตอยู่แล้วจิตมันอยู่กับปัจจุบันจิตมันอยู่กับความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับรูปธรรมนามธรรมมันอยู่กับความรู้เนื้อรู้ตัวนี่มันเป็นตัวที่น เรียก ว, ยว่าเป็นนามธรรมอีกตวนก็ว่าเนีนะแต่ว่ามันเป็นตัวที่ไม่พาเราไปทางทุกข์นะมันพาไปทางปกตินะมันพาไปทางมรรคผลนิพพานนิพพานคือความเป็นปกติภาษาอินเดียเราเรียกว่านิพพานภาษาไทยก็เรียกว่าปกติหรือว่าธรรมดาธรรมชาติก็ได้นะ เราเรียกว่าเย็นกันนะแต่ว่ามันเย็นแบบมีปัญญามันเย็นแบบพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมทางกายวาจาใจเป็นความฉลาดพร้อมที่จะทำหน้าที่ที่อยู่ตรงหน้าหน้าที่ต่อกายหน้าที่ต่อใจหน้าที่ตัวตัวเองหน้าที่ต่อผู้อื่นหน้าที่ต่อตัวเองหน้าที่ต่อผู้อื่นประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ตรนี้มันแสดงออกมาเป็นธรรมชาติมันไม่ได้เป็นกรรมปัญหาจะเปลี่ยนเป็นปัญญาได้ทั้งหมดปัญหาทุกปัญหาในโลกนี้คือสมมติบัญญัติทั้งหมดนะนะที่จะมีความจริงที่ไม่ใช่ลักษณะของสม ม, มุติเลยก็เรียกว่าปรมาภิฐสภาวะธรรมมันเป็นความจริงไม่ใช่สม ม, มตุติการเห็นความจริงคือการเห็นกายก็เรานั่งเดินยืนนอนนี่แหละ การเห็นจิตของเราที่เวลามันไหลคิดฟุ้งปุงแต่งไปนี่แหละอันนี้มันเป็นลักณะของความบริสุทธิ์ของธาตุสี่ขันห้า 4, ที่มันประชุมกันมันประชมธาตุไฟธาตุน้ําธาตุดินธาตุลมประชมก็เป็นรู ป, ปรขันธ์ขึ้นมาเวลามันประชมุมจิตของเรามีเวนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ประชุมกันเป็นบุญเป็นบาศ เป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยมันประชุมอันนี้เวลามันมีความบริสุทธิ์มันก็เป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดานี่ล่ะชีวิตมนุษย์ทุกๆชีวิตเนี่ยมันก็ต้องมีการปรุงแต่งกันมันไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี่มันไม่สนใจพ่อแม่ลูกมันก็ไม่ได้สนใจว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกมันหิวก็แย่งชิงกันสัตว์เดรัจฉานเป็นอย่างนั้นที่ไหน มีผลประโยชน์มันก็แย่งชิงกันมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราเป็นรนะนาการฝึกนะวิชาพระนน ว, วิชาพระมันตนกข้ามกับวิชามารวิชาพระก็สร้างบารมีขึ้นมาไม่ทนก็ทนลงไปนะไม่เพียรก็เพียรลงไปไม่มีทานมีการให้มีการบรรจาคมีการให้มีการบรรจาคลงไปมันไม่มีนะระนาของความเมตตามีความเมตตาลงไป มันก็เกิดเป็นทานบารมีเป็นศีลบารมีเป็นปัญญาบารมีเป็นเมตตาบารมีเป็นเบขาบารมีมก็เกิดที่ความรู้สึกตัวนี่นแหละเราก็ได้เห็นกันนะปฏิบัติธรรมกันแตว่าเก็บอารเข้มสี่สิบวันมีเวลาที่จะดูทุกๆวินาทีดูได้อย่างมีความสมบูรณ์แบบในวิถีทางสู่การปฏิบัติ กว่าจะได้ปฏิบัติมันก็ตั้งใจรอคอยกันไปหนึ่งรั้งหนึ่งได้ยินกับประกาศเขาพูดเขาคุยเขาโฆษณาวรอว่าจะมีวันนี้วันที่มีการเก็บอารมณ์เข้มกัน4ี่สิบวันเพื่อจะได้มาใช้ประโยชน์สูงสุดจากกิจกรรมนี้ต่อไปกเรอปฏิบัติให้รู้รูปรูปรป้นามเห็นกาย เป็นรูปธรรมนามธรรมเห็นจิตใจเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมตากระทบนเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมหูฟังเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมอย่างไรเวลาคิดขึ้นมาเป็นความโลภความโกรธความหลงางเป็นอย่างไรเวลาใจมันตึงต่ออารมณ์หน้ามันก็ตึงด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างไรนใจมันมีความหงุดหงิดนมีความกรอดเครงเคียดปูพยาบาทอาฆาตนะ มาแสดงออกมาทางวาจายอย่างไรทางสีหน้าท่าทางอย่างไรเวลาหิวนะมันมีโทสะอย่างไรมันมีความกวดซ่อนมาย่างไงโมโหหิวเป็นยังไง ไ, ได้เห็นเป็นการศึกษาพุธศาสนาที่มันเป็นเรื่องของกายของใจศาสนาคือตัวเราพุทธศาสนาคือจิตที่มันรู้ตื่นเบิกบานที่มันพ้นทุกข์ถึงคืนสู่สภาวะธรรมชาติเดิมๆแท้ๆเป็นปกติ เราจะได้ตอบกับตัวเองนะไม่ต้องให้คนอื่นตอบให้ครูบาอาจารย์ตอบให้เพื่อนตอบให้มันก็ไม่ถูกหรืออ่านหนังสือตำราตํารางก็ไม่ถูกจตมาเราปฏิบัติจนทำมันอ๋อขึ้นมาภายในจิตใจของเราเนะี่ยมันรู้แล้วรู้แล้วข้างในใจของเรานะอ๋อที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดที่เราปฏิบัติมันตรงนี้ตรงนี้ตรงความเป็นปกติตรงปัจจุบันกันไหนะนะตรงการเคลื่อนไหวนั่งเดินยืนนอนแล้วมารู้สึกตัวนะ อ๋อตัวนี้คือตัวรู้สึกตัวมันไม่สุขมันไม่ทุกข์เนี่ยมันก็ปฏิบัติเชื่อมโยงต่อเนื่องสัมผัสสัมพันธ์กันไปไปเห็นอาการที่มันสืบเนื่องเช่นการนั่งการเดินการยืนการนอนปกปิดความทุกข์ของกายปกปิดเนี่ยบางทีก็เม่าละนั่งปวดเมื่อยแล้วไม่ไหวละลุกละเยียบดลเลยบงังหบังทุกข์ แทนที่จะเห็นทุกเห็นเหแห่งทุกเก้าลงออกจากความทุกผ่านทุกขเวทนาทางกายตัวเนี้มันเป็นความสืบเนื่องที่มันเกิดขึ้นมาเราก็จึงต้องรับรู้รับทราบข้อมูลนี้มันมีปวดไม่ปวดมันก็มีเหมือนกันนะบางทีมันปวดจนถึงที่สุดเนี่ยมันไม่ได้ปวดอะไรหรอกแต่ว่าใหม่ๆเราไม่ต้องทนใหม่ๆความปวดขึ้นมาตาบะรูเว็นซีมันยังไม่แก่ก้านะ กายอิน็นระี่เนี่ยมันยังไม่เหมาะเราก็เปลี่ยนยังบรเตสติไปก่อนนะมีสติแล้วก็เปลี่ย น, ยยนไปก่อ น, นะต แ, น, อนแต่ว่าถ้าหากว่าสติมันเข้มแข็งขึ้นมั้ยบางทีเห็นอาการทุกเวนามาเกิดขึ้นนะแล้วก็ตั้งอยู่แล้วเอเอ อ, เ อ, อมันก็อยู่ได้ด้วยไม่ทุกข์ด้วยอยู่ด้วยกันนั่นแหละตัว น, ะนี้แหละมันเกิดความเข้มแข็งขึ้นมาใจรีย์ที่มันอ่อนแอเปราะบาง มันกลายเป็นเอ็นซีกลายเย็นซีที่มันอดทนมีขันติตัวนีน้เราก็ได้เห็นความต่อเนื่องของร่างกายที่จิตของเรามันก็เดินทางต่อว่าแทนที่มันจะเห็นกลายเป็นทุกข์จนกระทั่งทุกข์เนี่ยทำให้เราเลิกการปฏิบัติมันก็กลายไม่ว่ากายทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์มันก็แยกให้เราเลยทันทีกายปวดแต่ใจไม่ปวดกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยมันกเกิดการปล่อยวางขึ้นมา ก็เชื่อว่าอาการแบบเนี้ท้ายสุดจะเห็นอาการกายตายแต่ใจมันไม่ได้ตายธรรมะไม่ได้มีตายไปจากไหนความตายเป็นธรรมะความแก่เป็นธรรมะความเจ็บเป็นธรรมะมันจะเกิดเป็นคําตอบขึ้นมาเป็นในจิตใจของเราตัวนั้นจะยิ้มยิ้มใจมันจะยิ้มยิ้มมันรู้สึกมีความสุขจะเรียกว่าความสุขเกษมสารในน้อยกว่าได่าร่ายกายมีความสุขระดับร่างกายมีเวทนามีความสุขระดับดูเวทนา เห็นความคิดมีความสุขในระดับที่เห็นความคิดมันจะสุขเย็นสงบยิ่งยิ่งขึ้นไปมันจะไม่เหมือนกับว่าทําแล้ว่าแดอะไรหือไม่ใช่จกนกั正当มันเห็นสภาพสภาวะธรรมรูปธรรมนามธรรมภายในภายนอกเห็นตัวสติสีนสมาธิสมรยาญนญาปัญญาตรงเนี้มันก็จะเป็นร่องรอยทางเดินมันจะเหมือนกับว่าดีวันดีคืนคุ้มค่าน คุ้มค่า ก, การที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์คุ้มค่า ก, การได้มาปฏิบัติธรรมคุ้มค่ากับการที่เราได้วางงานวางการวางรูปวางหลานวางบ้านวางทรัพย์เราได้วางจิตวางใจของเราเราเดินได้มาเฝ้ามันก็ว่าศึกษาธรรมะผ่านการปฏิบัติตรงลงไปเรียกว่าปฏิบัติธรรมกลับมาสู่ศีลสู่ธรรมเราก็จะได้เห็นยิ่งยิ่งขึ้นไป ความทุกข์เกิดที่ความคิดคิดแล้วก็กรอดคิดแล้วก็โลภคิดแล้วก็หลงคิดแล้วก็รักคิดแล้วก็จังคิดแล้วก็อิจฉาลิสยาคิดแล้วก็น้อยใจคิดแล้วก็ว้าวเวคิดแล้วก็เปล่าเปลี่ยวเดียวใดคิดแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจตัวเองเราก็เปลี่ยนมารู้สึกตัวรู้สึกตัวมันจะคิดเรื่องอะไรก็มารู้สึกตัวเพราะนั้นทําใหม่ๆให้เราออกจากความคิดให้เป็นก่อนวิธีออกก็คือกลับมาหาหลักกรรมฐานะ กายเคลื่อนไหวใจรู้ก า, ายทาอะไรใจก็ทําด้วยเคลื่อนไหวที่ใดก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวมันตบตะเพอไปนะเรียกว่าทําำจนจนเป็นล่ําเป็นสนนะทําจนตะ้องรู้อยู่สิ่งนี้นสิ่งเดียวเลยนะรู้การเคลื่อนการไหวของกายนนะรู้ว่ามันเกิดทุกโดยนะขึ้นมารู้ว่าจิตมันคิดเนะมื่อเกิดที่กายว่ามันไหวจิจิตจิตจิติติตจจิตเนี่ยเวลามันบะูวมันว่ามันไหว เราได้เห็นมันชัดขึ้นคมขึ้นจนมันจะละเอียดมากขึ้นเราก็มีสติมากขึ้นทันกันรู้เท่ารู้ทันมันคิดมาอะไรก็กลับมาทันทีมันคิดมาอะไรรู้สึกตัวทันทีมันก็ป้องกันเราทันทีนมันไม่คิดมันก็รู้สึกตัวมันก็กลายเป็นว่าเออเวลามันจะคิดเกิดขึ้นมันก็รู้เท่ารู้ทันได้ไวเนหรือว่าเป็นกลับเป็นกันเป็นกับเป็นการรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัว เราได้เห็นอ๋อมันปลอดภัยเมื่อมันรู้สึกตัวมันไม่ทุกข์แล้วจะเอาอะไรอีกจะวิ่งหาความไม่ทุกข์ตรงไหนอีกทุกครั้งที่รู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ทุกข์อยู่แล้วมันก็ใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติปกติไปชีวิตใครกับชีวิตไกลก็ดูแลตัวเองให้ดีกันต่างคนต่างดูแลตัวเองรับผิดชอบตัวเองกันไปเหมือนกับสมัยพุทธกาลมนะีอาจารย์กับลูกศิษย์ ลูกศิษย์ก็อยู่บนที่สูงนะก็คืออยู่บนไหลของอาจารย์เยือนอยู่บนไหลของอาจารย์แสดงกายอากรรมกันอาจารย์ก็อยู่ข้างล่างอาจารย์ก็ตะโกนบอกลูกศิษย์ดูแลตัวเองด้วยนะลูกศิษย์ตะโกนมาบอกอาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็ดูแลตัวเองนะ ต่างคนต่างดูดูแลตัวเองก็เท่ากับดูแลซึ่งกันและกันต่างคนต่างดูแลตัวเองกันมาดูแลตัวเองก็เท่ากับดูแลซึ่งกันและกันมันก็ปลอดภัยอย่าต่างคนต่างรู้สึกตัวกันไปครูบาอาจารย์ก็รู้สึกตัวกันไปเราก็รู้สึกตัวของเราไปต่างคนต่างรักษาตัวเองกันให้ดีถ้าให้ส่วนมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตัวใครก็ตัวใครนะ ดูแลตัวเองอย่างนี้ท้ายสเวลาตายมัน ม, มีใครที่มาบอกเราได้เราจะต้องทําใจเอาเองวางจิตวางใจเ อ, เองมีความรู้สึกตัวให้เป็นมันจะเกิดการทําใจการวางใจใขึ้นมาเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมมันก็ต้องเห็นธรรมเพราะว่าความรู้สึกตัวมันเป็นสัญธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวลงเข้มหรือว่าไม่เกี่ยวลงเข้ม ไม่ได้เกี่ยวความเป็นผู้ชายความเป็นผู้หญิงเด็กตาบอดหูหนวกเป็นใบ det, ไม่เกนะี่ยวมันเกี่ยวสร้างความรู้สึกตัวเป็นหรือเปล่าเป็นคริสต์อิสลามเป็นนินดูะมันก็ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวรู้สึกตัวเป็นหรือเปล่าจะจบเป็นศาสตราจารย์ว่าไม่มีความรู้อะไรเลยก็ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวความรู้สึกตัวเราทําเป็นหรือเปล่าจะมีเงินเมื่อมีเงินเงินมั่งคั่งขนาดไหนมีคน นับถือหน้าถือตานะขนาดไหนก็ไม่เกี่ยวเกี่ยวรู้สึกตัวเป็นหรือเปล่าเราก็มาฝึกมาหัดนะให้มีความรู้เนื้อรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวนะกับการเคลื่อนการไหวในะนะนะ เ, เพราะนะการปฏิวัติธรรมในรูปแบบเนะี่ยมันมีคนมาทํำน้อยๆนะเี่ยอย่างที่เราเห็นนะนีนะ่แหะสี่สิบวันนที่นี่เราก็ไม่ได้พูดเปล่าประกาศอะไรกันมากไม่ ให้ถือว่าเมื่อถึงวันนี้วันที่ยีสิมิถุนาย น, นกษกติพระเจ้ า, า บ, บอกกันว่ามันมีกิจกรรมอยู่ที่นี่วัดป่าสุโกโตปฏิบัติธรรมนีนะแล้วเราก็มีศรัทธามีความเริ่มใส่นะนะพอเรามาที่วัดป่าสุโกโตเราก็ได้ยินได้ฟังบ้างจากหลวงพอ่อโคบาอาจารย์ว่าความรู้สึกตัวมันทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้รูปแบบวิธีปฏิบัตเิเคลื่อนไหวสิบจังหวะมันทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ การเดินจงกรมวางหน้าวางตาวางกายวางใจมาทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็น้อมรับฟังสรุปจะประเด็นไปปฏิบัติพอเราลงมือปฏิบัติก็เริ่มมีประสบการณ์ตรงที่เราจะมีประสบการณ์ฝึกตัวเองเห็นตัวเองบอกกับตัวเองมันก็จะเก่งสามารถจะพึ่งตัวเองไดในท้ายสุดอย่างนี้มันก็มีจํานวนน้อยๆอย่ามาวานรอให้ยกมือก็เยอะประมาณสิบคน รวมกับรรวมกันถ้าเป็นการทำทานนะประกาศเปล่าประกาศว่าทานตอนนี้กำลังต้องการา ใ, บใบช่อฟ้าหรือว่าใบละกาช่อฟ้าใบลากาหางหงต้องการฟังลูกนิมิตต้องการระดมเงินทุนโอจะแห่กันมาเยอะเลยนะที่ไหนก็ที่ไหนสร้างพระใหญ่ที่สุดในโลกนะจะมากันเยอะเลยระดมเงินกันมา อาซิมอาซออาแปะอาตีจะขับรถกันมาโชว์กันมาแล้วก็หน้าใสๆทําบุญจ่ายวัตถุง่ายๆแล้วก็ยิ้มหน้าตาผ่องใสให้กลับไปนะมีจํานวนเยอะมากเรื่องทานทําทานทําให้รวยทุกคนก็เชื่อไว้อย่างนั้นทำห้าบาทสิบาทร้อยบาทพันบาทหมื่นบาทก็อยากได้สิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเอาเป็นกําลังใจไปทํางานทําการกันต่อไป จะมีจำนวนมากทำทานทำให้รวยท้ายสุดเศรษถีเป็นโลคขาดอาหารเรจรษถีทุกข์เพราะลูกหลานเหลื่นหลนทุกข์เพราะต้องรักษามารดกทรัพย์สินต่างๆเดี๋ยวโจรจะไปเดี๋ยวจะมีคนขโมยไปเดี๋ยวจะมีคนนะนะมุ่งร้ายนะเรียกตัวไปเรียกคาไทยนะสารพัดจะทุกข์มากๆไปไหนต้องมีบริการ มีคนปกป้องมันทุกข์อะนะไปนอนโรงพยาบาลก็ยังกินไม่ได้นอนไม่หลับนะ่ยนะตรงนั้นมันจะมีไปทําไมเงินสิบล้านร้อยล้านพันล้านมันสูงมีความรู้สึกตัวไม่ได้หรอกแต่พูดไปอย่างนี้มันก็เราสัตตาเราก็พูดได้แล้วเราก็เหมือนกับเห็นว่ามันมีอายะซัะที่มีมูลค่ามากกว่านี้เช่นความรู้สึกตัวรู้สีลสมาธิปัญญานะี่ การ น, นี้รักษาศีลนรักษาศีลห้าศีลแปดศีลสิบสมาทานศีลที่นี่เก็บอารมณ์เราไม่มีการสมาทานอะไรกัทั้งหมดนะนะสมาทานศีลห้าศีลแปดศีลสิบเนี่ยเพราะว่าศีลมันอยู่ที่ความรู้สึกตัวความเป็นปกติศีลมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน น, านะมันมีอยู่ถี่ยึบเลยศีลทุกครั้งที่ปกติทางกายวาจาใจหรือว่าขันห้าเรามีศีลนะ เวทณามีศีลสัญญามีศีลสันสขานมีศีลก็คือบริสุทธิ์ทุกครั้งที่รู้สึกตัวมีศีลเราเห็นความบริสุทธิ์ตัวนี้มันเป็นธรรมะธรรมชาติสรัสดิ์สวัสิ์ส่สงรอแล้วแต่เป็นธรรมะธรรมชาติแต่จะเป็นกุศลธรรมหรือว่าคุศลธรรมนั้นมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาหยิบมาใช้ทั้งหมดเลยกายวาจาใจก็คือมารู้ตัวเราเองธาตุสี่กันห้า 5, รูปธรมรมะนามธรรมบนนั้มันรู้ความเป็นปกติมรู้ความเป็น ความไม่ปกติมันก็จะเห็นอยู่กายปกติมันวางผ่อนคลายไงวาจามปกติมันพูดไปไม่เบี่ยเบียนตัวตัวเองไม่เบี่ยเบียนตัวคนอื่นอย่างไรหรือว่าลักณะของจิตนที่มันแสดงออกนมันรู้มันหลงมันรู้มันหลงมันเป็นยังไงเราได้ได้สัมผัสมันนมทุกครั้งที่รู้สึกตัวมันศีลมันคุ้มครองเราไม่ใช่เราคุ้มครองศีล เราจะได้เห็นทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวรู้สึกตัววางกายวางใจศีลปรากฏนะเมื่อสีก็จะมีอา น, นิสงส์งมากมายแล้วเกิดเราก็ได้รับไปเดี๋ยวทำเราก็ไปบำบัดได้อย่างปลาโมดลื่นเริงเราไปบำบัดได้อย่างอิ่ม อ, อกอิ่มใจเีราได้อย่างมีความสุขสงบมีความสุขจากการรูลล้เนื้อรู้ตัวเป็นความสุขเสกษมสารอย่างไรนะมันเกิดความเบื่อหนายคลางจางอย่างไร เราได้เห็นอ น, นิสงของศีลนิมรักษาเรามันไม่ให้ราคาทางตาโอ้หจะมุ่งริ้นกายใจอย่างไรตรงเนี้มันจะพูดในน้อยแต่เวลาพูดเรามีสาระนะแต่เวลาไม่พูดยมันจะไม่พูดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันรู้ว่าสมควรไม่สมควรอย่างไรเราได้เห็นอะไรที่พูดไปสองไปเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองอะไรที่พูดไปแล้วมันมันได้ตําลึงทองเียมันจะรู้นะ รูลหลบเป็นปีกรูหลีกเป็นหางอย่างหลวงพ่อท่านฝึกเนี่ยหลวามเคียนท่านฝึกเนีท่านบอกว่าเวลาก็ไปตักน้ําตักท่ากันสมัยก่อนมันไม่มีก๊อกเนี่ยเวลาจะอาบน้ำทีเคพระลมเงินก็ไปรวมกันอาบน้ําที่บ่อไปตักน้ําที่บ่อผมโรตมาเคยได้สัมผัสเหมือนกันนะว่าวัดบางวัดในสายงานเมื่อสักสิบปีก่อนที่ออกทำสายงานนะไปปฏิบัติที่ไหนก็มีการปฏิบัติในสายงานก็ไปปฏิบัติแล้ว จิณวัดป่าน้องครนะูก็ยังมีบรรยากาศอาบน้ำอย่างนี้นะมีบอ่ออยู่มีสะอยู่นะก็กระโดดน้ำมาใสนะ่ก่อเป็นอิฐก็สี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็ได้เวลาสี่โมงมีเสียงระฆังดังนะนะก็จะไปรวมกันอาบน้ำมาพูดคุยกันสนทน์ทำกันมาทั้งวันเลยนะเดินโยคมตั้งแต่เช้าแต่พอไปถึงเวลาอาบน้ำมันรั่วหมดเลยหาห้าใจสิบเสร็จแล้วก็ไปเริ่มต้น หนึ่งสองสามสห้ากันหม่เก็บตัวสตินะเพื่อเราเน้นหน้าเสียดายนะท่านบอกว่าท่านก็เลยแอนะแอบอยู่ก่อนเวลาเพื่อนอาบน้ําแล้วก็พูดคุยกันท่านจะแอบแอให้เขาอาบแล้วก็ไปกันซะก่อนเดี๋ยวเราค่อยๆดอดๆไปแล้วกอาบน้ําคนเดียวมันก็มีสติเห็นเพื่อนก็บินถั่วบาทก็เดินถือบาทไปคุยไปพักไอ้นั่นพักไอ้นี่พักไอ้นู่กน ก, น ก, น ก, นกนินอร่อยนะ มั น, นก็ใช่ผักาไปเก็บผักกันอะไรกันเนี่ยท่านก็บอกว่าเออเขาหลงเราไม่หลงเอาก็เป็นครูเงี้ยนะเพราะฉะนั้นบรรยากาศที่เราปฏิบัติกันมากมานะเราจะได้เห็นครูบาอาจารย์ทั้งนั้นสอนให้เรากลับมารู้เน้อรู้ตัวรู้สึกตัวเงี้ยนะเราก็ได้ไประโยชน์นะเศรษเราก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนีเศรษบาทฐานเขาสมาธิมันก็ตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้ น, นรู้จักคําว่าสำรวมนะตาไม่ดูได้ก็ไม่ดูฟังได้ก็ไม่ฟัง ถ้าจะฟังก็ต้องมีสติถ้าจะดูก็ต้องมีสติถ้าจะพูดก็ต้องมีสตินีนะเพราะนั้นรักษาศีลนะอันนี้สองศีลทาให้สวยนะหลายคนก็อยากมีศีลมีศีลทำให้นุ่มนวลอ่อนโยนนะเกิดความงดงามมาจากภายในใจนะมีความนุ่มนวลต่อสรรพสัตว์สรรพสิ่งวัตถุหนึ่งสองสามบางคนทั้งสองสามสัตสาลาสิ่งจอ่อนโยนขึ้นมะา เรียก ว, ว่างามหรือว่าสวยสวยงามหลายคนอยากสวยอยากงามแต่ท้ายสุดหลายคนสวยแต่ว่าปัญญาอ่อนสวยแต่ว่ายังไม่พอตัวนี้สวยแบบขาดปัญญาตัวนี้ทำให้โง่หลงงมงายขึ้นมาท้ายสุดค่าตัวตายก็เยอะคนสวยคนงามเพราะฉะนั้นศีล ร, รักษาเราเนี่ยมันช่วยปกป้องคุ้มครองเราทําให้มีสมาธิมีปัญญามากขึ้น ท้ายสุด ก, ก็คือตัวภาวนาอันนี้มันเกิดบุญสูงสุดนจิตจะฉลาดขึ้นมาตัวนี้แหละเราจึงมารวมตัวกันสี่สิบวันเพื่อจะเจริญนจิตตภาวนาให้จิตฉลาดรู้นรู้เรื่องของตัวเรารู้ทุกรู้เหตุแห่งทุก์นรู้วิธีการก้าวล่วงออกจากความทุกแล้วก้าวได้เห็นความคิดนไม่เข้าไปในความคิดอย่างไงเห็นความง่วงไม่เข้าไปในความง่วงยเ กลับมารู้สึกตัวตอนนี้เราอาจจะเป็นมัคควิถีก์เป็นมัคคุเทศคือมาเดินทางสู่การพ้นทุกข์เป็นมัคควิทีก็คือเป็นวิธีการเป็นรูปแบบที่เราฝึกหัดจนกระทั่งมาไล่รูปแบบมันกลายเป็นเรื่องของแบบกายเวนาจิตธรรมถ้าจะเป็นแบบเป็นแบบดูกายเป็นแบบดูเวนาเห็นสุขเห็นทุกข์เป็นแบบดูจิตเห็นจิตมันคิด คิดเป็นโลเป็นกรวดเป็นหลงเป็นรักเป็นชังคนนั้นเป็นแบบธรรมเป็นแบบนักวบวชธรรมมันจะกลายเป็นการรุ่นเรงแล้วเราก็ตื่นรู้จิตใจของเราก็ผ่องใสเรามีความว่องไวว่องไวต่อธรรมะต่อรูปธรรมนามธรรมว่องไวต่อกิเลสถึงเป็นเหตุแห่งทุกข์มันว่องไวในการที่จะป้องกันชีวิตของเราไม่ให้เบียดเปลี่ยนตัวเองไม่ให้เบียดเปลี่ยนผู้อื่นน ตัวนี้นมันจะเกิดทิ่งที่เรียกว่ากำไรชีวิตขึ้นมานหายใจเข้าก็มีความสุขหายใจออกก็มีความสุขหายใจเข้าก็เป็นการปฏิบัติธรรมหายใจออ ก, กเป็นการปฏิบัติธรรมจะังจิต ค, คิดนึกปรุงแต่งจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมทุกครั้งมันคิดขึ้นมาแล้วก็รู้เท่ารู้ทั น, นมันก็จึงเป็นเรื่องของใครของเรากั น, นตรงนี้ช่วยกันไม่ได้จริงๆ ถ้าจะช่วยได้ก็คือช่วยกันเป็นบรรยากาศเป็นสิ่งแวดล้อมของชุมชนเอื้อเฟื้อเพื่อกลูลมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันแล้วกันเราก็อนุเคราะห์สงเคราะห์หรือว่าอุปโลกดำริเอื้นมาในจิตว่าเพื่อนคนไหนที่ปฏิบัติธรรมเราก็อนุโมทนาไม่ไปเพ่งโทษจับผิด ว่าทำไมทำแต่ในรูปแบบทำไมไม่ไปช่วยเหลือครัวอะไรประเภทนั้นไม่ช่วยเหลือตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้น น, นะเพราะตรงนี้เดี๋ยวมันจะเป็นบาปได้นะมันเป็นบาปจริงๆผมเรมมาทําไมเห็นุนั้งนั้นจริงๆนะแต่ถ้าเขาก็จะมีใจนะเดี๋ยวก็จะช่วยเหลือเขาเองแค่เดินเข้าอารมณ์บุญด้านั้นนะมันอยู่ไม่ติดหรอกนะแค่ปฏิบัติแล้วก็รล ะ, ละลึกบาปนะจะนึกผิดนะ มันจะเกิดอารมณ์บุญขึ้นมาทันทีแล้วมันอยู่ไม่ได้เลยล่ะมันจะร้อนก้นเห็นใครก็ทําดีนะมันจะไปช่วยทันทีมีน้ําจิตน้ําใจทันทีนะมันเป็นอารมณ์บุญอารมณ์เทวดานะมันจะเกิดขึ้นมาทันทีตรงนี้แหละนะให้เราเห็นเวลาอยู่อารมณ์กรรมฐานนะมันมีรอยแบบนีระลึกบาปํานึกบาปแล้วก็ระลึกบุญํานึกบุญมันมีคนมีคนมีโทษอย่างไรนะมันจะเกิดขึ้นมา เป็นอารมเบื้องต้นเลยหรือว่าพอมันรู้รูปธรรมนามธรรมความคิดมันอยากให้คนอื่นก็ปฏิบัติมันอยากเอาหนังสือไปให้มันอยากเอาเทปไปให้มันอยากให้คนนั้นมาคนนี้มาคนน้นมาเ น, นี่ย ม, มันจะเกิดขึ้นมาทันทีเลยอันนี้ไม่ต้องให้ไปสนใจเลยไม่ต้องให้ค่าให้ความสนใจกับความคิดประเภทนี้ในขณะที่เราสัมผัสรู้สึกตัวเมื่อเราสัมผัสเรารู้สึกตัวเนี่ย การรู้สึกตัวแต่ละขณะแต่ละขณะนีตัวเนี้ยมันจะทําให้เราออกมาจากความคิดบนเกิดจากความคิดบาปเกิดจากความคิดนั่นแหละก็เป็นสมมุติบัญญัตินั่นเองความคิดจึงเป็นภาษาในสมองแล้วก็เป็นภาษาที่สร้างโลกทั้งโลกขึ้นมามันเป็นภาษาเมาเราออกมาจากความคิดการปรงุงเราได้เห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นเองแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปปรงุงมันจึงเป็นวิชากรรมฐาน ฐานกายก็คือการเคลื่อนไหวกระทบสัมผัสของกายเป็นความรู้สึกตัวหยบยาบสุดๆ เ, เวลาจิตมันคิดเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกตัวเหมือนกันแต่ว่าเป็นของละเอียดพอเราเห็นเราได้เห็นนะอ๋อนอกอย่างนี้ยังมีอารมณ์ต่างๆธรมอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราที่มันเป็นกิเลสนอนเนื่องอยู่ภายในจิตใจของเราก็มีหรือเป็นธรรมชาติธรรมะที่บริสุทธิ์ก็มี มันเป็นทั้งวิบากกรรมเป็นทั้งนะธรรมชาติดําเดิมๆของชีวิตมนุษย์ตัวนี้นตัวนี้เราจะแยกแยกทันทีระหว่างสัตว์เดชานกับมนุษย์ระหว่างคนกับมนุษย์ระหว่างผู้ปฏิบัติกับไม่ปฏิบัติมันจะแยกออกทันทีตัวนี้เราจะเบื่อหน่ายครายจางไปเลยพบภูมิการเวียนว่ายตายเกิดกรทั้งเราคิดว่าชาติเนี้ยถ้าเป็นไปได้เราขอเป็นชาติสุดท้ายของใครของเรากัน เราไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกเพราะนั้นเราจะไม่อธิษฐานจิตอะไรทั้งนั้นะแง่ว่าเออขอให้เกิดเป็นชาวพุทธอีกนะเราคิดว่าไม่อยากเกิดเราทุกครั้งที่รู้สึกตัวนะตรงนี้มันเป็นการเรียกว่าเข้าถึงสภาวะของการเหนือเกิดเหนือแก่กเหนือเจ็บเหนือตายอยู่แล้วะจิตไม่ปรุงนะหรือว่าเออขออย่าได้เกิดนะไม่อีกทุกภพทุกชาติเลยนะเพราะว่าอืมเราเกิดคนนั้นเกิดคนนี้เกิดคนโน้นเราก็จะไม่อธิษฐานย่านั้น เบื่อล้เกิ น, นการเกิดมาเป็นมนุษย์นะแล้วก็ต้องเหมืนกัว่าต้องทะเลาะกันต้องขัดแย้งภายในจิตใจเพียงแค่ว่าเรากลับมารู้สึกตัวการรู้สึกตัวตรงนีน้ถ้าย้ากใานไอ้ฐานตรงนี้แล้วกันก็ขอให้เรามีความรู้สึกตัวนะตลอด40วันเนะีน่ยแล้วเราก็พยายามที่จะเคลื่อนไหวในรูปแบบแล้วก็นอกรูปแบบทั้งเฉล่ยอากาศแล้วก็เก็บตกเนะฉลี่ยอากาศก็คือในรูปแบบ เก็บตกก็คือนอกรูปแบบไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวาหรือ ว, ว่าล ม, มากระทบเวลา น, นั่งก้นกระทบพื้ น, นเสื้อผ้ามันกระทบตัวเราหรือ ว, ว่าผมถ้ามีผมยาวๆเวลาขยับเนี่ยมันจะสีไปสีมามันก็เป็นความรู้สึกตัวได้ยินก็พูดแล้วก็รู้สึกตัวก่อนหรือ ว, ว่าได้เห็นแล้ว ก, กลับมารู้สึกตัวก่อ น, นจนกระทั่งมันเหมือนกับว่ามันมีนิสัย เกินิสัยที่จะรู้สึกตัวตัถ้าตตือนจนกระทั่งหลับะอย่างนี้ก็ขอให้นะความรู้สึกตัวจเจริญงอกงามสําหรับผู้ที่ตั้งอกตั้งใจไปบัตแล้วก็สามารถที่จะออกความคิดได้เวลาหลายๆครั้งหรือว่าทุกครั้งที่คิดก็รู้เท่ารู้ทันอย่างเงี้ยเวลามีลมเกิดขึ้นมาก็รู้เท่ารู้ทันจนกรทั้งเดินทางสูขข่การพ้นทุก ข, ก ข, ข์ไกลกันไปฝั่งพนานิพานจนกรั่งอยู่บนฝั่งของพนานิพานนะ ในวันชาตินี้โดยตัวนากั น, กนทุกรูปทุกนาำเทิน